จัดให้มีหลักสูตรนี้ขึ้นมาทุกปี ปีนี้สองครั้งที่นี่นะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งผ่านไปแล้วที่ศูนย์หนึ่งใช่ไหมศูนยหนึ่งปีที่แล้วหรือนะปีนี้ปีที่แล้ว <c oughs> <c oughs> ปีที่แล้วเพื่อนที่นี่ก็เหลืออีก ครั้งหนึ่งนะปลายปีก็ทุกครั้งนะอุ่นหนาฝาครั้งนะอาคารเจดสิบสองปีที่ศูนย์สองแห่งนี้นะก็แน่นทุกครั้งทำไมถึงชื่ออาคารเจ็ดสิบสองปีตั้งแต่ฮัลเฉลงพะชรบรรษาในหลวงเจ็สิบสองพรรษา เขาก็เลยสร้างห้องปฏิบัติ72ห้องแต่เรามี83เราเคินห้องไป11แสดงว่าทุกห้องก็เปิดใช้หมดทั้งตึกเมื่อกี้ถามดูก็คงมีคนที่เคยเข้ามาแล้วส่วนมากแต่ก็มีบางท่านที่ อาจจะมาเป็นครั้งแรกก็ดีสำหรับของผมนะแต่ท่านก็คงเคยปฏิบัติมาแล้วล่ะไม่เป็นไรหรือไม่ก็เห็นได้ยินว่าวิทยากรที่ชื่อประเสริฐนะรมีทั้งพระทั้งวิทยากรที่เป็นคารวาสอีกทั้งสามนะมีใครสมัครผิดคอร์สบ้างเนี่ย <laughs> <c oughs> คือไม่ได้เจตนาจะมาคอร์สผมหนะกกะ จ, จะมาท่านอื่นหรือองค์อื่น เอาตายแล้วนี่คอร์สใครเนี่ยนะก็เปลี่ยนใจได้นะนยังเปลี่ยนใจได้อะไรก็เป็นวันแรกนะก็คงจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติซะก่อนคือก่อนที่จะฟังอะไรก็คงต้องเข้ามาให้มันเคยคุ้นก่อนนะจะมาฝึกว่ายน้ำก็คงให้มันคุ้นกับ น, น้ำในสระว่ายน้ำซะหน่อย การคุ้นกระสะไว้น้ำการคุ้นกับอะไรเนี่ยก็คงไม่ต้องทำอะไรมากหรอกอยู่เฉยๆมันก็ค่อยๆ ค, คุ้นไปเองอเวลาท่านไปอยู่ป่าวันแรกๆ ก, ก็อาจจะกระสับกระสายกระวนกระวายก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกอยู่เฉยๆอยู่ตามปกตินะเดี๋ยวมันก็คุ้นมันเองไม่ต้องไปทำให้มันคุ้นมันจะยิ่งยุ่งใหญ่อยู่เฉยๆทำชีวิตปกติ มันก็คุ้นมันก็รู้จักกันนส่วนเรื่องการนำปฏิบัติเอาละผมก็จะเอาเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันถ้าผมถามว่าสงบไหมนั่งสงบไหมไม่สงบคือคำว่าไม่สงบแปล ว, ว่ามันมีความคิด อยู่เรื่อยๆถูกไหมถ้าผมบอกว่าความสงบไม่ได้เกี่ยวกับความคิดวันนี้ ผู้คนมากมายนะเข้าสู่การปฏิบัติเนี่ยนะแต่เขาเข้าไปไม่ถึงหัวใจที่เป็นการปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์แน่นอนที่สุดการที่เรานั่งท่านจะอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบหรืออยู่กับองค์บริกรรมใดก็ตามท่านก็คาดหวังว่าความคิด จะสงบลงแล้วก็จะเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌ า, านไปเรื่อยๆเยนะงียบเงียบเงียบเงียบ น, นั้นก็เป็นเส้นทางเส้นทางการปฏิบัติผู้เจ้าเรียกว่าสัมมาสมาธิคือสมาธิแต่วันนี้เนี่ยถ้าเราปล่อยให้เดินไปตามทางนั้น ความเกื้อกูลที่มีในหมู่ของคารวานนยจะไม่เกื้อกูลเนื่องจากท่านอยู่กับความคิดทั้งวันท่านคิดทั้งวันมีการกระทบแล้วก็คิดต่อทั้งวันทีนี้ถ้าเอาใจที่จะสงบหรือไม่สงบไปผูกเอาไว้กับความคิดเนี่ยท่านจะไม่มีวันพบความสงบแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ย สังขารการปรุงแต่งก็คือความคิดตอนนี้ท่านเอามันเอาจิตเนี่ยเข้าไปยึดกับสังขาร น, นั่นแปลว่าถ้ามันเกิดความคิดจิตของท่านก็กระสับกระสายไปกับความคิดนั้นด้วยสิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยความจริงมันมัน มันจะเกิดเองในคนที่เข้ามาสู่การปฏิบัติในระยะเวลาหนึง่งแต่เท่าที่ผมดูคนไม่ยอมเกิดเองเนื่องจากเหตุปัจจัยที่เขาเข้ามาสู่การปฏิบัติเนี่ยมันไม่ต่อเนื่อง ข้อสองคือคนเราเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อสิบนาทีก่อนพอผมบอกให้ท่านนั่งสมาธิสิบนาทีนะผมอยากจะให้ท่านสังเกตดูตัวเองท่านนั่งเหมือนเมื่อสิบปีที่แล้วไหมคือท่านเคยนั่งยังไงท่านก็นั่งงั้นเชื่อไหมว่าผมว่าแต่ละคนเนี่ยนั่ง ไปเข้าคอสปฏิบัติมาเนี่ยไม่รู้จะ ก, กี่สิบคอสแล้วล่ะแล้วผมก็เชื่อว่าแต่ละคอสเนี่ยสอนการนั่งสมาธิเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกันผมถามว่าท่านเอาแบบไหนล่ะสมมติว่าท่านเลือกแบบหนึ่งแล้วท่านก็ปฏิบัติมาจนหนึ่งวันเนี่ยบางคนรู้ลมบางคนรู้พองยุบบางคนบริกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ แล้วท่านก็จะทำอยู่อย่างนั้นจนถึงวันนี้พอผมบอกนั่งสิบนาทีท่านก็ทำอยู่อย่างนั้นทั้งที่มันสงบหรือไม่สงบมักก็ตามท่านก็จะทำอย่างนั้นร้อยปีไม่เปลี่ยนพันปีไม่เปลี่ยนร้อยชาติก็ไม่เปลี่ยนทำยังไงได้ไม่ได้ก็ทำอย่างนั้นใช้ชีวิตมายัางไงก็ใช้อย่างนั้น เราฟังไปฟังไปงั้นแล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรแล้วก็ดำเนินชีวิตไปแบบเดิมฟังคล้ายๆมากินอาหารเสริมรู้ว่ากินอาหารเสริมดีกินน้ำมันปลาดีแต่ไม่กินก็ได้ไงจนกว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจะกลายเป็นข้าวเป็นอาหารมือ้อหลักที่เราเห็นประโยชน์จริงๆ เอาละผมจะย้อนกลับมาที่การนั่งสมาธิใหม่ผมก็ไม่รู้มันจะดิ่มไปมีประโยชน์ไหมแต่ถ้าท่านเอาไปทำผมรับรองได้เลยว่าท่านจะเปลี่ยนจากที่เคยเข้ามาแล้วสิบปีที่ไม่เคยได้ประโยชน์อะไรเลย นั่งดูรู้ลมรู้อะไรนะั่นอ่ะเอาละแสงไฟ ตอนนี้ถ้าผมถามว่านั่งสงบไหมท่านบอกว่าไม่สงบเอาใหม่นะให้สงบอยู่ที่นี่ ไม่ใช่ตำแหน่งนะไม่ใช่ตำแหน่งนะให้ท่านดูให้ออกก่อนความสงบอยู่ที่นี่ความคิดนะล่ะเดี๋ยวๆถ้าก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็รู้ลมแล้วเดี๋ยวก็คิด เกี่ยวไหมเกี่ยวไม้มอยากคิดก็คิดไปไม่งั้นก็จะเรียกสังขารเป็นสังขารแล้วขันทำไมไม่งก็อยู่ด้วยกันเลยตอนนี้ทุกคนไปกันมันหมด เ, เสียไปชาตินึงไม่เกรงใจแล้วก็ไม่เคยเกรงใจอยู่แล้ว เสียไปชาติหนึ่งชาติหนึ่งชาติหนึ่งปฏิบัติเสียไปคอสหนึ่งคอสหนึ่งคอสหนึ่งใครบอกให้นั่งสมาธิก็นั่งตะบี้ตาบันนั่งกันรู้ตะแบงรู้ไปนั่นแหละลมเริมอะไรก็รู้ไปงั้นนะจนกระทั่งถึงเวลาก็เฮ้ยชั่วหมดทันเงี้ยไม่ได้ไเลยเลยปฏิบัติไปเนี่ยสมมติว่าหนึ่งสอง ผมว่าท่านเริ่มเข้ามาปฏิบัติปี00ฝึกรู้ลมหายใจจนถึงปี03สิ่งนี้ต้องเกิดละไม่ไปกับความคิดละเห็นแค่ความคิดเป็นของเกิดดับไม่ได้มีผลต่อใจเลยมันจะเกิดก็เกิดมันจะดับก็ดับพอกับรู้ลมก็สังเกต ความคิดเกิดความยิดดับจิตก็ยังคงสงบปกติความปวดเกิดขึ้นสังเกตเห็นความปวดที่เกิดขึ้นสลายไปอาจจะบีบคั้นบ้างอาะไรบีบคั้นบ้างรู้ลบกลับมาอดทนใจก็ยังสงบหัวใจอยู่ตรงนี้การปฏิบัติทั้งหมดหัวใจอยู่ตรงนี้ถ้าไม่เข้ามาที่หัวใจนี้ไปต่อไม่ได้ คูบาาจารย์จะใช้คำว่าจิตเป็นกลางความตั้งมั่นของจิต อ, อะไรนะจะเป็นคำพูดแบบไหนก็ได้แต่คืออย่างนี้เพราะฉะนั้นจะฝึกยังไงทีนี้ความจริงจะฝึกยังไงเนี่ยตรงนี้มันต้องเกิดเองแต่อย่างที่ผมบอกคือ ผมนั่งบรรยายมาสิบกว่าปีแล้วอะเอาละท่านก็ไม่ได้ตามผมตั้งสิบปีหรอกนะแต่ท่านจะปฏิบัติไม่กี่ปีก็ตามถ้ามันไม่ได้เข้ามาตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยแค่มานั่งฟังทาแล้วก็การปฏิบตัติสมมติว่าบรรยายอีกทีนึงทุ่มหนึ่งเดี๋ยวก็มาทำกิจกรรมก็ทำไปนะมันก็เคยคุ้น เคยคุ้นเคย้นอยู่ฝ่ายกุศลมันดีอยู่แล้วแต่มันจะได้เห็นความจริงเร็วขึ้นหน่อยความสงบตั้งมั่นความคิดก็แค่ของเกิดดับความปวดก็เรียบเวทนาทางกายก็แค่ของเกิดดับบีบคั้นมาที่ใจ เขาเรียกเวทนาทางใจก็แค่ของเกิดดับไม่ได้มีตัวตนอะไรอย่างนี้ถึงจะเห็นนะไม่งั้นได้แต่ฟังเอานะสัญญาพูดขึ้นมาสัญญาก็ดับไปแต่ใจสงบตั้งมั่นอยู่ที่นี่นะนะเข้าใจนะทีนี้อย่าถ้ามีใครถามว่าเป็นไงนั่งสมาธิสงบไหมก็คือความสงบกับความคิด ควรเลืกถ้าท่านไม่เข้าถึงตรงนี้ท่านจะกลับไปใช้ชีวิตประจําวันยังไงในเมื่อต้องตั้งคิดทั้งวันก็ตัเราไม่ต้องสงบโอ้ยอาจกลับไปจะจะไปสงบได้ไงต้องนั่งทํางานนั่งคิดทั้งวันอะไรวะตอบแบบนี้ตอบแบบเด็กอนุบาลปฏิบัติแล้วใครครับนักปฏิบัติมีใครก็เป็นอย่างนั้นกันบ้าง ก็อะไรจะกระทบก็กระทบไปเลยเห็นแต่กามีแต่การกระทบเข้าไปนกระทบเข้าไปดิสังขารมันยังปรุงขึ้นมายังเกิดเวทนาขึ้นมาก็เพราะมันยังโง่อยู่ก็แค่นั้นเองมันไม่เข้าใจมันเข้าไปยึดถือมันยังโง่อยู่มันก็ทุกไปอะไรมันจะเป็นนั้นมันก็เป็นไปดิใจไม่เห็นจะต้องเป็นไปด้วยเพราะื่นจะฝึกยังไงฝึกอย่างเนี้ทีนี้หลับจารู้ลมหายใจยังไม่ต้องรู้ลมฟังผมไปก่อน หลับตาลู้ลมหายใจความคิดเกิดขึ้นว่าคิดเกิดขึ้นไปดิก็มีแต่ของเกิดขึ้นดับไปความปวดมันจะมีของเกิดขึ้นดับไปก็สังเกตจกนกระทั่งเห็นความจริงขึ้นมาลืมตาขึ้นมาใจก็ยังสงบเหมือนเดิมเข้าใจตรงนี้นะเวลาบอกออกจากสมาธิเนี่ยลืมตาขึ้นมาเนี่ยใจก็ยังสงบเหมือนเดิม ให้ใจมันสงบเหมือนเดิมปวดขาก็ขยับแล้วทำไมใจมันต้องเป็นอะไรด้วยขยับก็ขยับไปดิยขยับขยับแต่พวกเราเนี่ยคือไปไหลโลดหมดจะพิบัติได้ไงแล้วจะออกไปใช้คือมาเสียเวลาเจ็ดวันอะเสียเวลาเจ็ดวัน ทีนี้ถ้าทำได้ในเจ็ดวันนี้ออกไปไม่เสียเวลาโชคดีไปชาติ่ทีนี้ถ้าทำต่อแล้วไปได้เร็วคือมันแยกมันจริงจริงจังๆได้ได้เยนะคือที่ผมไกด์เนี่ยไกด์ทางเหเฉยรู้สึกว่าถ้าไม่ไกด์นี่มันไม่ไปเองแล้วดูท่าทางมันจะไม่ไปเองทำไมถึงไม่ไปเองเพราะโลกวันนี้เนี่ย กระแสความไหลมันรุนแรงกระแสความไหลมันรุนแรงจึงไม่มีเวนยศาสตร์ที่จะตื่นขึ้นมาในขณะความไหลนั้นเลยผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าที่ผมพูดถึงจิตที่จะพลากออกมาจากสิ่งที่มากระทบอย่างนี้เนี่ยคือมันจะต้องจิตเนี่ยต้องปราศจากกรามปราศจากอากุศล ทีนี้ทุกคนทั้ง Facebook ทั้ง l ล n e ทั้งอะไรเนี่ยมันมีแต่ภาพขนมภาพไ อ, ไอ้นู่นไอ้นี่ประดังกันเข้ามาไม่ได้หยุดเพราะฉะนั้นจิตของท่านไม่มีทางที่จะตั้งมั่นขึ้นมาโอ้ยร้านนี้อยู่ที่ไหนอยู่เนี่ยอร่อยโอ oh, ้น่าิคือท่านโดนการมาราคะเข้าถล่มตลอดเวลาแล้วท่านก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจให้ไปกับมันทั้งหมดท่านไม่รู้หรอกว่าโลกในนี้เนี่ยมันมีอยู่โลกเดียวท่านกลับไปคิดว่า มาปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมออกไปก็คือการออกไปโกรธก็คือโกรธตอนนี้ชั้นสบายใจก็คือสบายใจกุศลก็คือกุศลอกุศลก็คืออกุศลใช่มันเป็นขณะก็จริงแต่อย่าลืมว่าในแต่ละขนาดนะ่ะมันปนเข้ามาอยู่ในภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกจิตไร้สานึกมันอยู่ไหลกันกลับเข้ามาถ้าบอกว่าก็สั่งสมมาที่ความเห็นผิดที่ที่จิตที่ใจนี่แหละ ในเมื่อถ้าเราไม่จัดการเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็คือเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องเดียวกันหมดแค่ออกไปแล้วกับตอนนี้ที่นั่งอย่างนี้ไอ้่าลงไปแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วเบื่อเังเลยอะ ไ, ไรนะเรื่องเดียวกันกับตอนนี้ก็คือตัวบ่อนทำลายความตั้งมั่นตอนนี้ ความหุดหงิดลาคาญที่จะเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ล้วนแต่สั่งสมความเคยชินเคยคุ้นที่จะบ่อนทําลายต่อไปเมื่อเกิดอาการอย่างนั้นเหตุการณ์แบบนั้นความรู้สึกนั้นความโกรธความโลภความหลงนั้นก็จะเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันเป็นความเคยชินทีนี้การจะออกจากความเคยชินที่เรากําลังมาฝึกเนี่ยมันมาฝึกออกจากความเคยชินก็คือไม่ให้ไม่ให้มันสร้างกําลังไม่ให้ที่มันยืน ไม่ให้ที่มันยืนนะเพราะฉะนั้นเราลองดูการปฏิบัติ เ, เริ่มจากถ้าท่านเห็นอย่างที่ผมพูดเนี่ยคือต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่ได้ไปอย่างที่เคยรู้สึกเคยทำเนี่ยมันจะเดินทางเข้าสู่สติปัฏฐานสี่ได้ง่ายขึ้นเยอะแต่ตอนนี้ทุกคนได้แต่พูดเรื่องสติปัฏฐานสี่ ได้แต่พูดการวิ จ, จนาจิตธรรมพูดกันเป็นหลักการไปเฉยๆแต่ทุกคนไม่มีใครเห็นความจริงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายนะว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยมันพูดมันกลายเป็นพูดกันไปตามที่ได้ยินเฉยๆนะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นว่าเวทนาไม่ใช่บุคคลเราเขามันจะเห็นได้อย่างไงไม่ใช่บุคคลเราเขาเถ้าท่าน อย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าท่านหยุดมีความตั้งมั่นอยุดความโกรธนะความปวดเกิดขึ้น เ, เริ่มจากเวทน า, าทางกายไปความปวดเกิดขึ้นพอความปวดเกิดขึ้นท่านไม่ได้อยู่ตรงนี้ ท, นนนาาน ท, นท่านอยู่ตรงนี้สมมติว่าปวดปวดขาเนี่ยโอ้ยปวดขาทนไม่ไหวท่านอยู่ตรงนี้แต่ถ้ า, มาเมื่อไหร่ท่านอยู่ตรงนี้อย่างที่ผมบอก ท่านฝึกอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านจะเห็นสภาพปวดท่านไม่ได้เห็นเราปวดท่านจะเห็นสภาพปวดที่เกิดขึ้นสภาพปวดที่เปลี่ยนแปลงสภาพปวดจะเป็นปัใจจัยให้เกิดความทุกข์ในใจเรียกว่าเวทนาทางใจเวทนาทางกายจะเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาทางใจคือความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถ้าจิตของท่านตั้งมั่นจริ ง, รงๆท่านจะเห็นแต่สภาพปวดแต่ใจไม่ทุกข์เป็นทุกข์กับเห็นทุกข์มันจึงต่างกันที่ตรงนี้ต่างกันที่คนที่จิตตั้งมั่นนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเริ่มต้นเริ่มเข้าใจนะท่านจะแยกออกว่าฉันรู้แล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมาพลาดตรงนี้พลาดตรงนี้ถ้าเดินทางปฏิบัตินะที่จุดที่ผมกำลังพูดเนี่ยคือทางสองแพร่งแรกที่ทุกคนจะต้องเจอเดินมาสมมุติว่าจากกรุงเทพเดินไปถึง อ, อุทยธ า, ยา น, นีมีทางแยกทางหนึ่งไปสระบุรีทางหนึ่งจะขึ้นนครสวรรค์ต่อ ทางแยกเนี่ยถามตัวเองถ้าถ้าท่านเข้าใจสิ่งที่ผมพูดก็จบท่านอาจจะผ่านแยกไปแล้วถ้าบอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วเดี๋ยวต้องแบบนี้เหรอท่านนั้นแสดงว่าท่านยังไม่ได้ผ่านทางแยกนี้นี่แยกแรกนะแต่แยกนี้สำคัญคือถ้าพลาดไปนู่นเลยออกสระบบุรีอาจจะออกอีสานไปเลยแต่ถ้าแยกถูก ความจริงอยู่ตรงหน้าที่จะไปเห็นขันห้าเห็นอะไรต่ออะไรในอนาคตเข้าใจกายเวทนาจิตธรรมต้องต้องตรงนี้เลยถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นถ้าสับนักปฏิบัติเขาเรียกตื่นใครที่ไปส่งอารมณ์อะไรต่ออะไรนะั่นแหละมันตื่นขึ้นมานะ าการที่จิตมันตื่นขึ้นมาคือมันพังเงาออกมามันพังเงาออกมาจากสิ่งที่เคยคุ้นแล้วมันมันเหมือนกับคนที่กําลังหลงหล ง, ลงแล้วพังเงาออกมาจากกลุ่มเพื่อนแล้วก็ง ง, ง, งว่าที่มันคุยอะไรกันเนี่ยมันนั่งหัวรอกกันได้ไงสามพันห้าวันนั่งคุยกันสามชั่วโมงหัวเราะปั้นเรื่องบ้าวอคอแตกพูดซ้ําพูดซากพูดแต่เรื่องเดิมโชว์ตัวตนโชว์ออกมาอย่างเงี้ยตื่นออกมา อะไรเป็นอะไรกันเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกตื่นอันนั้นอาการที่มันออกมาจากข้างนอกมาจากข้างในที่มันพั ง, งาออกมาแบบเดียวกันนั่งนั่งกำลังปวดอยู่ดีๆีมันผงะดปังออกมาเนี่ยมันก็แค่สภาพปวดขึ้นเฉยเฉยเนี่ยมันก็ดับลงไปนะอ่ะลองนั่งสมาธิใหม่ อย่านั่งแบบสิบชาติที่แล้วนะม่น้ำมัอยู่อย่างนั้นมาฟังผมฟังทางยูทู e ก็ไดนะ้จิตกับความคิดไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะ ความคิดเป็นของธรรมชาติของเกิดดับอยู่นั่นะจะไปทำอะไรกับมันล่ะจะบังคับขันไม่ให้ทุกข์หรืออยากคิดออก็คิดไปดิข้อมูลในอดีตมากมายเหลือเกินวันข้างหน้านสงบก็สงบมันเองเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเป็นอะไรทั้งนั้น แค่ตั้งอยู่ในสิ่งที่ถูกอยู่ที่ฐานอย่าจมลงไปในเนื้อเรื่องจำไว้ความคิดจะเริ่มมีเนื้อเรื่องเมื่อเรากระโดดลงไปในความคิดจิตเสียความตั้งมั่นจะลงไปเป็นเนื้อเรื่องทันทีนะ เมื่อมีเนื้อเรื่องจะมีอารมณ์ทันทีเพราะฉะนั้นกลับมาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ลงไปผสมลงกับเนื้อเรื่องจะเห็นแพร่ความคิดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเหมือนกันหมดแค่ของเกิดดับไม่เข้าไปยึดถือปล่อยไปเลยทำตัว ใจิตเหมือนอาม่านั่งอยู่หน้าร้านในสำเพง็งผู้คนจะเดินไปเดินมากันมากมายผักไข่แค่ไหนอาม่านั่งอยู่ที่ม้ากลมอย่าลุกออกจากมานะ้าก็แค่คนเดินผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจะเสื้อสีแดงผ่านมาแล้วก็ผ่านไป จะคนสวยแค่ไหนผ่านมาก็ผ่านไปขี้เลยแค่ไหนผ่านมาก็ผ่านไปจะรวยยากดีมีจนตัวขาวตัวดําผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตั้งมั่นอยู่ที่เก้าอี้มรา ค, คมอะไรมันจะเป็นอะไรกัช่างไม่ไร สังขารจะปรุงอะไรขึ้นมาก็อยากจะปรุงแล้วก็ปรุงไปจะร้อยเรื่องพันเรื่องแบบโซดาสร้างขึ้นมากันมันสร้างกันไปก็ไม่ยุ่งด้วยมีอะไรไหมล่นะอยากคิดก็คิดอยากหยุดก็หยุดไม่ใช่เรื่องของเราตั้งมั่นอยู่กับฐานเอาไว้ จะปวดคันชาจะเกิดขึ้นมหก็ปวดไปของเป็นธรรมชาติ น, นมันก็ปวดมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ใช่เพิ่งมาปวดตอนนั่งนี้สช่ไหมไรคิดผ่านมาคิดก็ผ่านไปยิง่งเกี่ยวอะไรกับไม่ได้ไปนั่งทำอะไรมันสบ ไม่เข้าไปยุ่งด้วยไม่ไปเกี่ยวด้วยจิตใจของเราก็ตั้งมั่นอยู่กับฐานรู้ลมใจก็สงบ ก็ลมจิตสงบใจแวบไปคิดจิตก็สงบจิตจะสงบไม่สงบไม่ได้ขึ้นกับว่าจะต้องหยุดคิดนั่งสมาธิต่อแต่ลืมตาขึ้นลืมแต่ตายอย่างเดียวแล้วก็หูก็ฟัง ให้ความสงบอยู่เหมือนเดิมนะเห็นไหมว่าเราลืมตาขึ้นความสงบก็อยู่เหมือนเดิมนะค่อยๆหลับตาความสงบก็อยู่เหมือนเดิมนะ อย่าไปสอนให้ความสงบอยู่ในการนั่งสมาธิแล้วหลับตาฝึกให้ความสงบความตั้งมั่นของจิตอยู่ในทุกๆอิริยาบถอ่ะลืมตาขึ้นความสงบยังอยู่เหมือนเดิมขยับแข้งขยับขาหน่อยแล้วความสงบก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ ไม่ว่าจะขยับยังไงความสงบก็อยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกี่ยวเลยท่านจะเดินเหินหยิบจับเข้าห้องน้ำดื่มน้ำความสงบก็ยังอยู่เหมือนเดิมออกไปเดินชมกลมก็ความสงบก็ยังอยู่เท่าเดิมนี่แหละแล้วก็เดินไป เห็นแต่การเคลื่อนไปเคลื่อนไปความสงบพุทธเ่าเดิมนะถึงตรงนี้เมื่อไหร่ก็นี่แหละในเจวันนี้จริงๆแค่นี้ก็พอแล้วถ้าเป็นคนใกล้ชิดผมหรือทีมงานหรือผมพูดแค่นี้บอกไปทำสามปีแล้วค่อยมาคุยกัน ไปทำให้มันเข้าเลือดเข้าเนื้อเข้ากระดูไม่ว่าจะขยับไปทางไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงให้มันอย่างนี้เมื่อนั้นน่ะจะเห็นโลกตามความจริงเลยว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ของเกิดดับเป็นอนัตตาหมดเลยนั่นจะพิชึดอะไรหรืออย่างเดียวที่ต้องระวังก็คือระวังไอ้นี่แหละ จะกลายเป็นตัวตนซะเองแต่ไม่ยากหรอกสี่ขันมันแสดงความจริงหมดแล้วขันสุดท้ายย้อนกลับไปนิดเดียวมันก็หลุดแล้วจะขอให้มันตั้งขึ้นมาให้ได้ก่อนเถอะวันนี้ปฏิบัติไปมันมีคนตั้งขึ้นมาเลยตั้งมั่นนะไม่จะตั้งนูน่นตั้งตัวขึ้นมาอีกเดี๋ยวเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มันไม่ตั้งขึ้นมานะ มันจะกลายเป็นมีแต่กูรู้แล้วปรเกดอะไรขึ้นมาก็สภาวะธรรมเป็นกูหมดกูรู้กูเข้าใจโอ้โหมันชัดเจนมากทีนี้มันก่อความเป็นตัวตนซ้อนขึ้นมาอีกหลายต่อเลยละ่ะพอถึงจุดทางสองแพ่งแรกเนี่ยต่อไปนี้ก็ ต้องแตะแล้วปล่อยละอย่าไปตามเดี๋ยวนานๆไปไมันจะแก้ไม่ได้อีกเป็นเป็นกันหมดเอาละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาอยู่กับความตั้งมั่นของจิตความคิด อย่าเอาอย่าเอาชีวิตไปผูกไว้กับขันอย่าเอาความก้าวหน้าในการปฏิบัติไปนั่งรอให้ขันสงบขันที่ไหนมันจะสงบขันมีสภาพทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเข้าไปยึดถือก็มีแต่ทุกข์เพราะฉะนั้นถ้ามาปฏิบัติ แล้วต้องรอให้ขันสงบก็คงไม่เจอแล้วเหระนั้นจิตสงบจิตสงบก่อนถึงจะเห็นว่าอะไรคือขันอะไรคือกายเวทนาจิตธรรมเรื้องตนเห็นกายเวทนาจิตธรรมก่อนคือในฝั่งของกายกับใจเห็นให้ได้ก่อนว่าไม่ใช่ตัวตน ส่วนเราจะมาดูกันว่าไม่ใช่ตัวตนยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังไม่งั้นอธิบายไปเนี่ยก็ อ, อธิบายกันอยู่อย่างนี้ผมมาก็อาจจะพูดในมุมมองที่เปลี่ยนไปต่างไปเท่านั้นเองแต่คนที่ปฏิบัติที่ฟังกันมาแล้วเนี่ยมันต้องต้องเห็นตรงเนี้ยให้ได้ก่อนถ้าเห็นตรงนี้ได้ก็จะอ๋อเข้าใจแล้วที่อาจารย์พูดหมายถึงอย่างนี้นี่เองเออ ต้องเห็นจากข้างในตัวเองนะไม่ใช่อ๋อเข้าใจแล้วนี่ต้องเห็นว่า อ, อเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวท่านมีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองเนี่ยนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วเจ็ดวันเจ็ดคืนที่จะไม่ยุ่งกับใครที่ไม่มีใครมาพูดด้วยไม่มีใครมานั่งคุยด้วยไม่มีอะไรนะไม่คือไม่ต้องไปสร้างแสงไฟนะผมเพียงแต่ให้ท่าน เข้าใจแค่นั้นเองเพราะตอนนี้ถ้าบอกว่าเราสามารถสงบได้ทั้งๆ ท, ท, ที่มีความคิดเนี่ยพูดให้ตายคนก็ไม่รู้เรื่องอแตถ่ถ้าอย่างเงี้ยแล้วมันมีความคิดเกิดขึ้นแล้วเราไม่ออกไปผสมลงด้วยเนี่ยความคิดจะกลายเป็นสภาพของสังขารที่เกิดดับทันทีนะแต่ถ้าเราลงไปในเนื้อเรื่องเมื่อไหร่เราจะก่ออารมณ์เกิดเป็นภพนะมีสุขทุกข์ไปกับเนื้อเรื่องนั้น ทนี้เราสร้างโลกขึ้นมาแล้วเข้าไปอยู่ในโลกเลยนะแต่ถ้าเราตั้งมั่นอยู่ตรงนี้เนี่ยพบเกิดไม่ได้นะเวทนายังเกิดแทบไม่เกิดแทบไม่ได้เลยจะเหลือแต่ผัสสะมโนผัสสะแล้วก็แห้งตายแห้งตายแห้งตายไม่ก่อเป็นเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติฉลามรณนะโสกปริเทวะนะแค่นี้วงจรปฏิจสมุปบาทหยุดแค่นี้เลยนะหยุดแค่นี้แล้วนะ แค่ท่านตั้งมั่นอยู่ตรงนี้แล้วไม่ขยับต่อเนี่ยท่านจะอยู่วันเนี้ยถ้าท่านอยู่ตรงเนี้ยพรุ่งนี้มาลืนนี้เจ็ดวันถ้าท่านอยู่แค่นี้จิตตั้งมั่นอยู่อย่างเงี้ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหยุดอยู่แค่นี้เลยนะแล้วเมื่อหยุดแค่นี้จะไม่หยุดแค่นี้นะท่านจะเห็นย้อนกลับเลยนะเพราะมันไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาในวงจรแล้วนะแต่วันนี้ที่เราทํากันเนี่ยมันไม่ตื่นขึ้นมาอย่างนี้ไง มันไม่ตื่นสักทีแล้วเราก็วางเอาไว้ผิดที่กันหมดมานั่งขึ้นอยู่กับความสงบของความคิดอย่างเงี้ยนะอย่าไปขึ้นกับความสงบของความคิดอยู่อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะพบความอัศจรรย์เองทาไมพบชาตินี้ก็ชาติอื่นนะก็ถ้าทำจริงทาไมมันจะไม่เจอ ถ้าทำอย่างนี้จริงๆสองบัลลังก์หน้าก็ต้องเจอแล้วท ำ, ทำแล้วทาแบบสิบปีที่แล้วนี่พอทำแบบสิบปีที่แล้วผมบอกให้เลย ท, ท่านไม่ได้มาจากสิ บ, บปีที่แล้ ว, ลวท่านทำแบบนี้มาสิบชาติแล้วใครเคยทำยังไงก็ทำอยู่งั้นเพราะมันไม่มีคนที่สั่งสมมาขนาด พลิกบิดพัวหลุดออกมาเนี่ยมันมีอยู่ไม่มากเพราะฉะนั้นขอให้เราเป็นหนึ่งในนั้นก็แล้วกันที่จะเอาจริงะจะฟังผมพูดเรื่องใหม่ๆอีกกี่เรื่องก็ได้เนี่ยเจ็ดวันเนี้ยแต่เรื่องเนี้ยสำคัญสุดถ้าแค่เข้าใจตรงนี้เนี่ยจะเข้าใจทั้งหมดทุกเรื่องที่ผมพูดมาไม่งั้นท่านจะต้องทำความเข้าใจในทุกเรื่องที่ผมพูดมาหนึ่งพันเรื่อง โอ้โอ้โอ้ไปทีละเรื่องแต่ถ้าเข้าใจตรงนี้ปับ๊บจะพูดอีกกี่เรื่องเนี่ยเรื่องเดียวกันหมดเลยจะพูดอีกร้อยเรื่องพันเรื่องก็แค่มิติในการหมุนหมุนดูของของเดียวกันเนี่ยเดินดูช้างรอบๆแค่นั้นเองรู้เลยว่ามาจากช้างตัวเดียวไม่งั้นกลายเป็นเนื้อเรื่องทำไมช้างมีงาไม่ใช่เหรอช้างก็มีงาเลยก็ มีเป็นแท่งหางพวงพวงเลเนี่ยกลายเป็นหลงไปทีละเรื่องละเรื่องละเรื่องโอ้หน้าฟังทุกเรื่องเลยเนียพอเข้าใจหัวใจพูดเดียวนะหมดข้อสงสัยเลยจะพูดอีกกี่ใน y o u ูทูบกี่พันเรื่องกาเรื่องเดียวกันหมดแหละเรื่องเนี้ยเรื่องจิตว่างจากตัวตนเนี่ยไม่มีอะไรเลยนอนน้องก็ขันทั้งนั้นนะพอมิติมันแยกออกมามจะดูตรงไหนมันก็อย่างนั้นแหละ เอาละนะเพราะฉันไปฝึกดูก่อนฝึกดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังกันอีกครั้งหนึ่งตอนเย็นนะเชิญ